สิกขาบทที่4ภิกษุณีใช้เครื่องประดับของสตรีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี